มีสติก็มีการปฏิบัติอยู่มีการทำความเพียรอยู่นะทันทีที่สติเกิดนะกุศลที่มีอยู่มันดับกุศลใหม่เกิดไม่ไดนะ้ทันทีที่เราเกิดสตินะกุศลก็เกิดแล้วลยิ่งมีสติบ่อยไปเรื่อยนะกุศลก็ยิ่งพัฒนาศีลนะ ส, สมาธิปัญญาคุณนะงามความดีทั้งหลาย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 กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในพอฟังท่านทีนั้นก็งงๆนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุลบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราเลยส่งเข้าข้างในนี่ม่หลวงปู่สิมมาบอกว่าไม่ให้ส่งเข้าข้างในให้อยู่ออกมาอยู่ข้างนอกฟังแลแ้วแหมขัดแย้งมากเลยไม่เจหลงปุถเทศนะหลวงปุถเทศต้องอธิบายไม่ส่งนอกไม่ส่งในรวมความคือไม่ส่งไปนั่นแหละจิตไม่เคลื่อนไปจิตถ้ตั้งมั่น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 ท่านจะชี้ให้ดูชี้ให้ดูสภาวะต่างๆว่าสภาวะแต่และอย่างเป็นยังไงอะไรต่ออะไรสอนสอนเสร็จแล้วก็ชวนชวนให้ปฏิบัติพอ ป, ปฏิบัติแล้วถ้ามีปัญหาหรือท้อแท้อะไรอย่างี้นะหมดกำลังใจจะปฏิบัตินะท่านก็แก้ให้ปลุกใจถ้าคนไหนดีแล้วนะท่านก็เล้า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 อธิปัญญาสิกขาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปน้ำไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดอาก็เป็นปัญญาทั่วๆไปไม่ถึงขั้นอธินะอธินีต้องยิ่งใหญ่หน่อยอธิปัญญาน็เห็นไตรลักษณ์ของรูปของน้ำอทิศีลก็เป็นศีนาัตโนมัตินะมันมีฮิริมีโอตปะประจําใจอยู่มีสติพุ้มครองรักษาจิตอยู่ศีนาัตโนมัติจะเกิด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 เหมือนกับเด็กตรงที่ว่ากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติากระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจทํางานไปตามธรรมชาติแต่เราต่างกับเด็กอยู่อย่างเดียวคือเด็กเนี่ยไม่มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองเราปล่อยให้ใจมันทํางานไปตามธรรมชาติแต่เรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแนะปลงเช่นนะเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเรากําลังเดินไปกับภรรยาเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาโอ้สวยกว่าเมียเราตั้งเยอะเลยนะใจมันชอบ